เรื่องของวิปัสนูจินตยานวิปลาสซึ่งส่วนใหญ่พระกรรมฐานท่านไม่ค่อยพูดถึงกันเวลาโยมไปทำแล้วเป็นพระรก็ตามแก้ไม่ได้แต่หลวง็เทียนให้ความสำคัญเรื่องนี้เชีย่ยเห็นทีละประเด็นประเด็นเพราะว่าเรามีศรัทธาอยู่แล้วที่จะปฏิบัติได้ศึกษาได้เข้าใจตาม ประเพณีพูดมานานว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนามาผลนิพพานเนี่ยมาทำบุญทำทานรักษาศีลรมอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ไปคนละทางเพราะขาดความขาดท่านผู้รู้มาชี้คือมีคนสอนเยอะแต่ว่าจ ะ, จะชี้ถูกชี้ผิดให้ชัดเจนไม่เค่อยมี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 นี่แล้วก็ขาดครูบาอาจารย์หรือการณมิตยอยู่ใกล้ชิดเวลามันผิดแล้วก็ไม่รู้มันผิดเวลามันถูก mm. ถก็ไม่ถูกเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนมันเดินทางขาดคุณชี้ทางขาดรู้เข้าใจแผนที่เราขับรถไปบา mm. งทีเราไปในถิ่นที่เราไม่เคยไปเนี่ยนำมาเองเวลาขับไปนั่งรถกระโซเฟอร์นเราเคยผ่านมาบ้างแต่เขาไม่เคยไปเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าเป็น แล้ไม่เชื่อเราก็พาเลยพาตะลึดไปกลับไปกลับมาเสียเสียเวลาเสียค่าน้ำมันนั้นการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระการแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ชำนาญเรื่องแผนที่ที่เราไม่เคยไปแล้วก็ถามนะถามคนที่เขารู้ทางเราเสียเวลาหยุดถามคน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 พอมันหายจากทุกขเวทนาก็เรื่องมันสงบสงบจากสิ่งที่มันรบ ก, กวนสงบจากเพราะมันเป็นไปตามกฎของไจรักแต่เราให้สงบจกว่าไม่ให้มันแรงเกินไปจนเราทนไม่ได้ก็ทำให้มันเราทนได้ก็เรื่มันสงบจากความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์นั้นร่างกาย แต่จิตใจก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงควา ม, มรู้ของกายมันก็ไปสร้างความสงบให้กับจิตความสงบของไม่สัมันไปสร้างความไม่สงบให้กับจิตความไม่สงบของจิตคือมันคิดมันปรุงมันแต่งมันไม่สงบอพอเราไปแก้ไปบังคับให้มันไม่คิดไปบังคับไม่ให้คิดล้วก็กดเอาไว้เราไปบังคับ มันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็เพลอคิดขึ้นได้เพราะต้นเหตุไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นต้นเหตุก็คือเรามาทํากายให้สงบจากตัวสังขารการปรุงแต่งของกายให้ชัดแล้วแก้ไขร่างกายให้มันชัดให้มันโปร่งให้มันสบายทีนี้จิตของเรามันก็ก็พลอยถูกแก้ไปด้วยแต่ในกรณีในกรณีถึงร่างกายมันสงบมันไม่มีเวทนาอยู่แล้วแต่จิตใจมันไม่สงบ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 มันก็เลยไม่ถูกเหตุเรียกว่าสงบแบบไม่สงบเพราะฉะนั้นความสงบพันบอกมันมีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ปรากฏชัดก็เพราะมันมีเหตุให้ไม่สงบเหตุที่ไม่สงบคืออะไรกฎของนิจังที่ทําให้เกิดทุกขังเกิดความไม่สบายเราก็ไม่ตามแก้เพราะไม่ตามแก่ก็ไปสร้างความสงบข้างในอีกคือความไม่สงบทางจิตเพราะฉะนั้นเวลาแก้เราก็กลับมาแก้ที่กายก่อนแก้ที่กายแล้วมาเพิ่มความ รู้สึกที่กายให้มันชัดเพราะความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างมันก็ไปจิตของเราที่มันคิดกับไม่คิดมันก็จิตเดียวกันนั่นแหละนะที่มารู้ความสงบมาสู่ของกายมันก็จิตอันเดียวกันแหละที่มันไปคิดแต่เนื่อมันมีจิตอันเดียวเมื่อเราดึงมันมารู้ความสงบความสบายความปกติของกายความรู้เกี่ยวกับความสงบความสบายของกายมันก็ไปปรากฏที่จิต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 ทำกรรมาฐานที่ไหนถ้าไม่ได้หลับตาดูเหมือนว่าไม่ใช่กรรมาฐานแล้วใช่ไหมมันเสพติดแล้มนานั่งสั่งเยาวะก็ต้องหลับตาอีกเพื่อให้มันสงบมันเรื่องเรื่ามันมเสพเสพความสงบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแก้ไม่ตกพอแก้ไม่ตกเราไปเสพความสงบมากๆไปไงกเ it, นะ็เกิดเป็นนิมิตนะเกิดเป็นนิมิตสีแสงเกิดเป็นเห็นโน้นเห็นหนี่เกิดมีเสียงแววเกิดมี กลิ่นหอมอะไรขึ้นมาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไปบังคับมันมากมันเป็นวิปัสนาวิปัสนามาเพราะเราไปสำคัญความสงบผิดแทนที่เราจะแก้กายสงบเรแก้กายให้สงบจากเวทนาจิตมันก็สงบไปเองแต่นี่เราไม่แก้ไปกดยิ่งกดมันก็ยิ่งดันใช่ไหมดตามกดมันก็ไปเป็นวิปัสนาันดับแรก น, นั้นพอไปติดความสงบมากๆเข้ามันก็ไปติดใส่นิวรณก่อนตอนแรกอะ่ะเราก็ไปแก้นิวรณความโมวหความเงาความเบื่อความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความลังเลเนี่ย <c oughs> มันก็ไปเป็นตัวนั้นก่อนตอนแรกยังไม่เป็นนิพพานูนะมันไปเป็นนิวรณก่อนเราก็มานั่งแก้นิวรณกันพอก่นิวรณ์เกิดขึ้นเราแทนที่จะไปแก้นิวรณ์เราไปบอกคับให้จิตสงบอีกมันก็สงบไป่ไดยเพราะมันไม่ใช่เหตุของมันเราต้องไปแก้มันง่วงก็ต้องไปแก้ที่ง่วง มันไม่เราอยากจะสงบนั่นหมายความว่ามันเป็นความเสพแล้เสพติดแล้วก็นั่งที่ไหนแล้วก็อยากจะไม่ให้มันมีอะไรพอข้างนอกมันวุ่นวายเหลือเกินพอทั้งหลบก็หลบให้มันสนิทมันก็เลยเป็นสตงเพราะเราหนีความไม่สงบมาหาความสงบแต่ถ้าสงบแบบรู้ก็คือความไม่สูงมันเกิดจากอะไรก็แก้เหตุอันนั้นความสงบมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าที่มันไม่สงบพ้มันมีเหตุแล้วไปแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปกดเหตุเอาไว้มันก็ยิ่งไม่สงบนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราแก้ไม่ถูกอันแรกนี่เราจะเกิดวิหนวอนก่อนนะเกิดหนีวอนคือสิ่งที่เราเบื้องต้นที่เราว่ากันมาประจำนี่แหละแต่ในเมื่อเอาเราไปกดหนีวอนเอาไว้อีกมันก็เกิดวิปัสณูอ่าก็คือทําให้จิตของเราเกิดความ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 เราก็ไปสําคัญตัวนั้นว่าไม่เป็นธรรมะล้วก็ไปตามวิปัสสนูเป็นอย่างนั้นมันก็ปั่นปวลล่วนละเพราะมันถูกบังคับพอปั่นป่วนขึ้นมาเราก็ไปสําคัญความปั่นปว่วนว่าเป็นธรรมะอีกนะไปเพ่งไปทําให้มันมากขึ้นไปทําให้สงบมากขึ้นทาให้มันเห็นมากขึ้นสร้างนิมิตสีแสงจินเขาเรียกว่าจินตยานมาละจินตยาน พอเกิดจินตญาณ น, นี่เราก็เอาสิ่งที่เราไปคิดไปรู้อย่างนั้นอมาพูดมาคุยทั้งๆ ท, ท, ที่มันมันเริ่มเป็นจินตญาณท่านบอกว่าตัวจินตญาณเนี่ยจะทําให้ระบบประสาทมันสมองอะไรแปรปรวนเพราะร่างกายจิตใจถูกบังคับมากเกินไปเพราะเราไปติดความสงบเราก็คิดว่ามันดียิ่งบังคับก็ยิ่งสงบดิ้งบังคับร่างกายก็เกิดวิปริตแปรปรวนเราก็ไปสําคัญผิด แล้วก็แสดงออกในทางผิดก็เรียกว่าจินตยานวิปัสนึกวิปัสคิดก็ไม่ใช่วิปัสนานึกเอาคิดเอาโดยจินตยานวิปัสนึกวิปัสนิดเรียกว่าเออโอ้โหเจือไงเรียกว่าจินตยานเรามาเรียกภาษาง่ายวิปัสนึกวิปัสคิดแต่ความจริงมันก็คือตัวจินตยานนั่นเองหลังเราก็ไปคิดไปเอามาอวดกันว่ามันใช่ยิ่งพระอาจารย์ไปเสริมโดยใช่แล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็เลยแย่ยาก ธรรมวิจารณ์นั้นก็เป็นนิวรณ์อยู่ธรรมวิจารณอยู่ในข้อเลยว่าอุทัศจะคือนิวรณ์เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งธรรมวิจารณแต่มันนิวรณ์ในทางคิดในทางดีคิดในทางที่เป็นคิดว่าเป็นกุศลนั่นนะแต่มันก็ยังเป็นนิวรณ์อยู่แต่ตัวเองคิดว่ามันเป็นกุศลเพราะคิดในทางดีเอชีวิตนี้เป็นนิจังทุกขังนัตตานะเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราควรจะปล่อยวางอย่างคิดได้ แต่ไม่ใช่ของจริงขนาดนั้นเรามาคิดมาพิจารณาได้แต่เป็นธรรมวิจารณ์แต่คนจริงตัวอ น, นิจจังทุกขังดาเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เห็นแต่เราไปเห็นสมมุติของมันคือออกมาเป็นสมมุติคำพูดสมมุติภาษาเขาเรียกว่าธรรมวิจารณ์เป็นเป็นเหตุเบื้องต้นเรียกว่านี่วอนแต่ก็จะเป็นเหตุถ้าเราไม่จัดการให้ถูกต้องก็จะเป็นเหตุไปสู่วิปัสสนูนั่นแหละจะเป็นเหตุต้นของมันนะ วิปัสนาเกิดขึ้นแล้วเราไปบังคับแก้ไขวิปัสนาวหมเป็นมันก็ไปเป็นจินตยานพอจินตยานไปสําคัญสภาวะต่างๆแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องตามราวมันก็จะกลายไปเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิเกิดวิปริตทางความคิดอีกตรงนี้ก็อเราวิปลาสนะเพราะฉะนั้นคนปุถุชนทั่วไปเป็นวิปลาสทุกคนเพราะสําคัญของที่ไม่เที่ยงว่า ม, มันเที่ยงสําคัญของที่มันทุกข์ก็เป็นสุขสําคัญของไม่มีตัวตนกลเป็นเดรน เราก็เลยไปยึดอย่างนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าวิปลาสมันก็แก้ยากแหละทีเนี้ยมันก็จะทอดกันไปเงี้ยถ้าเราแก้นิวรณ์ไม่จกมันก็ไปเป็นปนิปัสนูแก้วิปัสนูไม่จกไปเป็นจินตยานแก้จินตยานไม่จกเป็นวิปลาสมันเป็นอารมณ์สมถะทั้งนั้นเลยเป็นอารมณ์สมถะกรรมฐานสี่สบกองเที่าม า, างกันนี่นะเขารวมอารมณ์สมถะสี่สิบกองนี่ได้บอกบ่อยๆว่ามันคือเครื่องมือแก้ แก้ตัวที่กายไม่ปกติจิตไม่ปกติมนาะแก้เช่นเราเกิดความง่วงอย่างนี้นะเราเอาตัวไหนมาพิจารณาก็เอามาเอาตัวนั้นมาพิจารณาคขากรรมฐ า, านสิ่งมีอะไรบ้างก็สินส้น10ิสุภาพสิบอนุสติสิบธาตุสีจตุธาตุวัฏฐานธาตุสีแล้วก็ประชาท้ทงเกา รวมแล้วก็ยีสบก็านสส่ในกายยาปฏิบัติไดก็อนุสติก็ดีเกสินก็ดีไม่ได้มีในกายาอุปสนาแต่เรานั่นก็เอาเขาเอามาขยายอมาขยายให้มันมากให้มันละเอียดประชาชาทั้งเกาทั้งแต่ตายใหม่ใหม่ตายได้สองสามวันตายได้สี่ห้าวันตายได้เจ็ดแปดวันตายได้เดือนตายได้ปีก็ขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ยตามจินตนาการ คนจริงตายต้องไปเผาฟังก็หมดเรื่องกัน เ, เคยเล่าบ่อยๆในยพระเวลาคนตายมาห้า ม, มาไปเผาทีนทีมาให้พระพิจาณาพันสามวันห้าวันเพื่อเพื่อพิจญาสุภาษะทำมาได้สิบกว่าปีแต่วันหนึ่งไปบินทบบาทไปเห็นโยมร้องห่มร้องไห้เพราะลูกใจลูกตายแล้วก็สามีก็ตายตัวเองก็พัดโผเข้ามาในมันไทยเป็นคนเลนกะ็ ท่านสอนกรรมฐานก็บอกยมเจริญกรรมฐานที่เจริญกรรมฐานก็คนไม่เคยเจริญก็ต้องบอกกันบอกกันไปบอกกันมาก็าเห็นใจกันเห็นไหมมันไม่ <eden> มได้นึกถึงป่าช้าท่านก้าวนะคือความเมตตาสงสารขาดปัญญาใช่ไหมในที่สุดก็เลยไปได้วยกันนะเรียบร้อยอย่างนี้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 เพราะมันเป็นของเก่าของเรา อ, อย่างกามาฉันท น, นิวรนเพราะอะไรเรามีความชอบชมเสพชมสนุกสนานเป็นพื้นฐานใช่ไหมเวลาไปกรรมฐานมันไปฝืนไอ้ความอยากของเรามันก็ออกมาเป็นใช่ไหมความปฏิฆาห์หุนหงิดอึอดอัดเพราะความอยากไม่ถูกตอบสนองใช่ไหมก็อึอดอัดก็เป็นพยา ป, ปราทานิวรนอพอมันอึนอดอัด จะไปไหนก็ไม่ได้ง่วงมันเช่เลยนุ่มอันที่สามมันก็มาง่วงไปเอามาออกอยางงวเอาไปติดสิคิดฟุ้งซ่านต่ออีกเอ๊ะกูมานี่มาทําไมเพื่อนไปแล้วสงสัยแล้วทีเนี้ยนิวรณก็จะมาเป็นชุดเป็นชุดเราก็แก้ไม่ตกก็แก้ไม่ตกเอาไปเอามามันก็ไปเพ่งไปเพ่ ง, พงนิวรณไปบังคับมาให้มันเกิดไปกดไปดันเอาไว้ก็เกิดวิปัสสนาต่อเห็นไหมมันมันก็โยนช่วงไปแบบนี้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 หลวงพ่อเทนบอกท่าบ ก, กายกับใจเนี่ยโดยธรรมชาติมันสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างความสงบมันอีกอสิเหตุนี่ไม่สงบเพราะมันมีเวทนาอะไรขึ้นมาเราไม่แก้เราไม่ยอมแก่เราไปกดซะใช่ไหมมันปวดขึ้นมาเดนที่จะลุกจะปวดจะเพื่อให้มันสบายกลับไปสู่ปกติใหม่ไปกดมันไว้เพื่อจะอะไรสร้างขันติบารมีเพสร้างพลังอะไระแล้วมันก็ไปทางนั้นน่ะ คิดเมื่อค่อยเศร้าหมองท่านก็เปลี่ยสมมติว่าการที่จะไปแก้มันก็ทั้งทำแบบอะไรแมวกับหนูใช่ไหมแมวกับหนูเวลาเวทนาต่างๆหรือความไม่สบายต่างๆมันเหมือนหนูออกมาเนี่ยออกมาตรงนั้นออกมาตรงนี้ที่เราไปไล่จับไม่สบายตรงนี้แต่ไปแก้ตรงนี้มันแก้ไปแก้มามันไม่ไหวเหมือนไอ้หนูเนี่ยมันจะแมวมัจะไปไล่จับมันไล่ตรงนี้ได้หนูมันตัวเล็กกว่าแมวใช่ไหม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 เมื่อกินนะเงฉลาดค่อยเจ้า อ, อยู่ไกลๆใช่ไหมจะให้หนูมันเห็นปล่อยให้หนูมันเพลินน่ะความคิดคิดออกมาก็ให้มันคิดดูก่อนแล้วก็หาวิธีทีนี้หาวิธีจัดการมันแต่ส่วนใหญ่เป็นไงแมวมันอ่อนพอหนูมาแนละ้วบางทีแมววิ่งหนีเลยแต่นี่ที่อเมริกาแมวกลัวหนูนะไม่ใช่หนูกลัวแมวนะเพาะอะไรเพราะอะไรเพราะเราขุนแมวจนอ้วนน่ะหนูออกมามันมันไล่ เออมันไล่กัดแมวจะเองหนูนะ่ะเออ <laughs> ตลกจริงพ่อว่ามันขุนแมวจนอ้วนมันไม่อยู่มันก็กลัวส่อีกนะว่าเออ <laughs> เห็นไหมเห็นคลิปข้ามาออกหไหม <laughs> แต่แท้ที่หนูแมวไล่กัดหนูหนูไล่กันแมวเ <laughs> นี่ยนะ <laughs> แล้วก็ขุนกิเลส จ, จนอ้วนแล้วไอความคิดมันก็ออกมาเราทําอะไรไ ม, ไม่ได้แล้วทีเนี้เพราะอะไรเพราะตัวแมวคือตัวปัญญา เราไม่ได้ฝึกปัญญาเราไปขุนไปตีความสบายพอไปตีความสุขความสบายสติปัญญามันก็หายดิก็หดดิกิเลสมันก็อ้วนพออ้วนแล้วมันก็ ก, ก, กลวกกัวกิเลสเออกลัวหนูเราดิเนะมันก็กลัวกิเลสเพราะฉะนั้นวิปัสสนุท่านก็จงเปรียบเหมือนว่าจะแก้มันก็เปรียบทำแมวกับหนูจินตญานถ้าจะแก้มันท่านเปรียบเสมือนขุดบ่อน้ําเวลาบ่อน้ําใหม่ใหม่มันก็ พูดว่าก็ขุนคลักเลยใช่ไหมวิธีการแต่ว่าน้ําที่ใส่น้ําจริงมันออกมามันใสและมันขุนตาน้ำจริงอ่ะมันใสใช่ไหมแต่ที่ขุนมันไม่ใช่น้ําที่ออกมาจากตาน้ําแต่มันเป็นความเสกปรกจิตของเราที่มันขุนมัวมันไม่ได้หมายถึงว่าตัวรู้ตัวรู้เหมือนตาน้ําออกมาเรื่อยๆตัวรู้ตัวแต่ที่มันขุนมัวเป็นความคิดเพราะอะไรเพราะกิเลสหรืออดีตอนาคตเหมือนไอ้ขี้ตรงอยู่ปากบ่อนั่นอดีตอนาคตของเรา แล้วก็เอาเรื่องอดีตอนาคตมาคิดมันก็กลายเป็นจิตมันก็ขุ่นมัวท่านบอกว่าไงตักออกใช่ไหมตักออกตักออกตักออกตักออกเรื่อยๆพอตัวอดีตอนาคตเปลี่ยนเสือมันขี้โตมันถูกสลัดออกสลัดออกสตัวรู้สึกล้วนๆก็เกิดเรื่อยๆมันน้ำใสมันก็แก้ได้จินตยานตียานมันก็มันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดเรื่องดีๆนะเรื่องดีเรื่องช่วยท่านบอกสลัดไปก่อน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 ทิ้งตั ก, กทิ้งกทจนกระทั่งว่าขี้ต้มขี้เลนหรืออดีตอนาคตความสําคัญผิดต่างๆมันหายไ ป, ยไปก็เหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆเพราะนั้นตัวรู้กับตัวคิดตัวเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมันถูกปูนปอมเพราะเราไม่ทิ้งเรากักมันไว้นี่กักก็ยิ่งขุนแล้วที่นี้น้ําก็ออกมาก็ใสแต่มันกลายเป็นน้าขุนเพราะว่าเราไม่สลัดทิ้งนี้วิธีแก้จินตยา น, น่ะทีนี้วิธีแก้วิปลาสทําไง บอกแกยากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เก่งๆนะเป็นบ้าไปเยอะพ่ออะไรพวกวิปปารนนี่หมายเขว่ามันสําคัญผิดอะ่ะสําคัญว่าตัวรู้สําคัญว่าตัวเองเป็นผู้รู้สาคัญว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เนี่ยมันไม่ฟังแล้วครูบาอาจารย์ชั้นเก่งของครูบาอาจารย์เทียงอะไรนะไปก็มีแต่ถ้าหากว่าเขามีบุญบารมีอยู่นี่เขาก็จะเข้าหาครูบาอาจารย์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 อยู่คุณคุับได้คุณควรรับคุณไม่รับพระคุณนี้ไปถ้าคุณรับได้มาวันหนึ่งคุณปฏิบัติอย่างจริงจังคุณปฏิบัติวิปัสสนูเนี่ยเราจะเกรงกลัวครูบาอาจารย์วาา่าอาจารย์เขาจะแก้ให้มันแค่จะไม่ติดแต่คนไหนเข้าไปแล้วฉันก็แน่เหมือนกันไม่จำเป็นเคาลบไม่จำเป็นจะคารวะใครเนี่ยเสร็จทุกรายเนี่ยพอเป็นวิปัสสนูไม่เชื่อใครใครก็แก่ไม่ได้ก็เป็นบ้าไปที่เราเห็นเพราะฉะนั้นองพระเทียนท่านจึงเน้นเรื่องนี้เอาไว้ การเคารพกุบาอาจารย์ก็เพื่อสิ่งนี้เมื่ออะไรผิดพลาดขึ้นมาเรามีความเคารพอยู่เพื่อแก้ได้ถ้าเราไม่มีความเคารพมาแก้อะไรไม่ได้นีนที่สุดเราหวังมรรคนลที่ผานก็ไปอีกทางหนึ่งเลยแทนที่จะไปทางนี้ก็ไปทางนี้ซะเนี่ยนี่คือตัวที่ต้องการพูดตอนเช้านี่คือเรื่องของวิปัสสนูจิตญาณวิปลาสมาจากตัวนิวรณ์ที่เราแก้ไม่ตกเราไปบังคับมันซะเข้าใจนะ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 ถ้ามันเป็นความคิดอดีตนั้นคตอยู่ความคิดที่วิตุงวิจาร์อยู่ก็าสารทิ้งไปก่อนแต่ขี้เกียจตะทิ้งยังทาไงไม่มีกระโวยตากริกากช่วยไม่ได้แล้วตรงนี้เนะคุณขุดบ่อ น, น้ํำด้วยคุณไม่ได้เตรียมเครื่องมืออาไว้นี่เพราะฉะนั้นตัวนี้ในอาจารย์อื่นที่มาไปฝึกฝนปฏิบัติมาท่านไม่ได้เน้นตรงนี้เหมือนวพ่อเทีนนะหลวงพรอเทีนเน้นตรงนี้เป็นพิเศษเลยเพราะท่านรู้ว่าปัญหาทุกชื่องเจอทุกคน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 พิชมีเพิดะเราจะตอบว่าไงเพิดท่านบอกผมไม่เผ็ดอ้าวทำไมอ่ะเพราะตอนนี้พิชมัอมน อ, มอยู่มันจะอยู่ที่ลิ้นผมอ่ะมันจะเผิดได้ไงนี่คืออารมณ์กรรมฐานต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักแต่ถ้าบอกว่าเผ็ดนี่เป็นอะไรเป็นอดีตแล้วใช่ไหม เ, เราเราจาอดีตมาตอบมันเผิดเพราะมันผ่านไปแล้วก็จําได้เห็นไหมแต่กรรมฐานต้องขณะนี้มันไม่มีผมไม่ได้เผ็ด เกลือก็เช่นเดียวก็กไม่เข็มเพราะเกลือม่นจะอยู่ที่ลิ้นหลวงพ่อปานก็ถามเออทีนี้อันนี้ที่ถามเรื่องวิปัสนานะอ่าถ้าไปสําคัญว่ามันเผ็ดแสดงว่าคุณไปยึดที่อดีตคุณก็ยังปรุงแต่งเข้าใจผิด <c oughs> แต่นี่ถ้าถามถ้าถามเรื่องจินตญาณกบวิปลาสถามว่า ง, งี้า <c oughs> ว่าเนี่ยอุบายสกตอนนะั้นถ้าเป็นบายสุกนะพอเสร็จขอดอจะ ต, ต้องเดินทางกลับบ้าน ที่จากสีเชียงใหม่น้องคายไปถึงเมืองเลยสมัยนั้นอ่ะทางรถมันยังไม่ดีเนาะบางบางที่บางแห่งก็ต้องเดินเนี่ยบอกกลับบ้านนี่นะคุณต้องเดินผ่านปา่าบบผันบกพันดงบางแห่งเนี่ยถ้าได้ข่าวว่าในป่านเนี่ยพานนันไปล่าเนื้อไปยิงเสือถูกเสือเสือเจ็บแตะปูหรือเสือเจ็บเนี่ยมัจนจะงมากมากเลยใช่ไหมเสือเจ็บถ้าได้ข่าวว่าในป่าเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ยเวลาคุณจะเดินกลับบ้านคุณจะกล้าผ่านป่านี้ไหม อย่าจูดต่ว่าไงอันนะ้โอ้ไม่ผ่านโอ้อวัดจะเจอเดินท่านอันนี้ใส่ารู้คําตอบแล้วเนะรู้คำตอบแล้วนะลอท่านก็บอกว่าต้องไปนะถ้าไม่ไปก็ไม่ถึงบ้านเอ้าคุณไม่กลัวเสือตอนที่ผมไปเสือมันอาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้หรือถ้ามันมีผมก็ต้องสู้ว่างั้นนะอ๋อตรงนี้อาจารย์ยก เมื่ออนุโมทนาเนะี่ยหมายความว่าถ้ากลับไปบ้านถ้ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยหรือบางทีคิดว่ามันเกิดมันจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้ามันเกิดต้องสู้กันว่างั้นอสู้กันก็ฝึกมาทั้สามเดือนเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีวิธีสู้นะอ่าท่านบอกอันนั้นกลับบ้านได้คุณคุณไม่กลัวเสือว่างั้นนะ่ะหมายความว่ามีปัญหาอะไรไปแก้ข้างหน้าของเองก็แล้วกันนะถ้าคุณไม่กลัวปัญหาแสดงว่าคุณรู้จักวิธีแก้ท่านก็กลับบ้านี้ยฮ ฉันั้นเองเราจะเห็นว่าบางทีครูบาอาจารย์ให้สอบท่านต้องการถามถึงปัจจุบันไม่ได้ถามแต่ละออาดึงอนาคตมาตอ่อก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อารมณ์วิปัสนาอารมณ์วิปัสนาอะเกิดขึ้นป๊อต้องดูปัจจุบันเสมอเรามันก็จะเห็นความจริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องศึกษาลุ่มกันอเอาแค่นี้นะเข้าใจชันไหมนิวรวิปัสสนุจิตญาน วิปราสอะไรดีที่สุดมันก็ต้องมีของที่แย่ที่สุดอะไรที่ที่ดีที่สุดนั้นก็มีเสียก็เสียที่สุดเหมือนกันเพราะฉะต้องระวังเดี๋ยจะไปเอาแต่ดีนิพพานเป็นของดีแต่ไอ้สิ่งที่ตรงข้ามนิพพานนะคือนรกเรต้องระวังเหมือนกันนะมันถ้าผิดใจนิพพานก็ไปนรกเลยอย่างเงี้ยมันก็มาด้วยกันถ้าไม่มีเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะขมลุ่มกันเนาะ